ราชการากลุ่มหนึ่งมหาตมาเราก็ได้สนทนากันอยู่พักใหญ่มหาตมาก็ถามเขาว่าเนี่ยดูอายุของเขาแล้วดูหน้าตาคิดว่าคงจะอายุมากก็เลยถามว่าเมื่อไร่เกษียณก็ได้คําตอบว่าจ ะ, กะเกษียณปีนี้แหละแล้วก็มีคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเนี่ยกเกษียณแล้วก็จะวางแล้วพอกเกษียณแล้วก็จะวางแล้ววางในที่นี้คงมาถึงวางภารกิจการงานนะ ตันตมาก็เลยพูดเสริมไปว่าเนี่ยเป็นการเตือนมากกว่านะว่าเนี่ยระวังนะวางอันนี้แล้วไปยึดอันอื่นแทนนะเช่นวางเรื่องงานเรื่องการแล้วก็ไปยึดเอาหลานไปติดหลานแทนเนี่ยคนส่วนให ญ, ญ่เป็นอย่างนี้นะวางเรื่องนึงแล้วก็ไปยึดอีกอันนึงหรือไปแบกอีกอย่างหนึ่งหรือแบกหลายอย่าง อย่างเช่นตอนเด็กๆนี่นะโอ้เราก็ยึดติดถือมันนะ่นกับของเล่นมากนะห่วงแหนของเล่นแต่พอโตขึ้นเราก็วางของเล่นนะและเป็นไงก็ไปยึดเออย่างอื่นแทนนะเช่นถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไปยึดโทรศัพท์อาจจะไปยึดเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าหรือว่าโตขึ้นมาหนะ่อยก็ไปยึดรถยนตนะ์บ้านทรัพย์สินสลิงคาร ธรรมดาคนเป็นอย่างเงี้ยนะวางอย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดอีกอย่างหนึ่งหรือไปยึดหลายอย่างพระรีเจ้าเนี่ยนะโดยพระพารหันในท่านท่านวางของหนักลงแล้วแล้วก็ไม่เอาอะไรขึ้นมาแบกอีกนะอย่างที่เราสวดกันนะพระรเจ้าสละทิ้นของหนักลงเสียจแล้วทั้งไม่หยิบเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนะแต่ปุถุชนคนส่วนใหญ่ก็แบกอะไรก็ตามพอวางแล้วก็ ไปยึด อ, อย่างแทนแล้วที่วางเพราะอะไรเพรเบื่อนะหรือพรเห็นว่ามันมันไม่มีเสน่ห์ละอย่างเด็กเนี่ยนะห่วงแหนของเล่นห่วงแหนพ้าห่มนะพอโตขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรนะไปเอาอย่างอื่นดีกว่านะออันนี้ผู้สูงวัยอย่างพวกเราเนี่ยหลายคนก็กเกษียณไปนานและนะ้วถามใจตัวเองนะว่าไอ้ท่วางอะไรต่อหลายๆอย่างเนี่ยเราไปหยิบ ไปช่วยไปแบกอันอื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องหลานนั้นนะไอตอนที่เป็นพ่อแม่ก็ห่วงลูกยังทำอะไรไม่ได้ห่วงลูกกลัวลูกเรียนไม่จบพอลูกเรียนจบก็ห่วงลูกนะห่วงว่าหลานห่วงว่าลูกนี่เมื่อไหร่จะแต่งงานพอลูกแต่งงานก็ห่วงหญิงนะ่ะเมื่อไหร่ลูกจะมีหลานให้ให้ตาให้ยายให้พ่อให้แม่สักที พอมีหลานแล้วก็ห่วงอีกนะว่าห่วงว่าเมื่อไรห่วงว่าหลานเรื่องการเรียนของหลานบางที่จะพูดว่าเนี่ยถ้าหลานจบแล้วก็หมดห่วงแล้วพอหลานเรียนจบอ้าวเมื่อไรหลานจะแต่งงานมีฝั่งมีฝาทีเป็นฝั่เป็นฝาสักทียึดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะจริงๆเนี่ยยิ่งอายุมากยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งต้องวางนะ วางเยอะขึ้นเยอะขึ้นสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องชี้วัดนะของเครื่องชี้วัดอุธิภาวะหรือความเจริญงอกงามนะทางจิตใจทางปัญญาก็คือดูว่าวางได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายุ่มากนะแต่ว่ายังยึดติดถือมั่นการาอะไรตอนอะไรมากมายห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงงานการเนี่ย ไอย้ยางนี้เรียกว่าจิตใจยังไม่โตเท่าไหร่ น, นะประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตไม่ได้สอนให้รู้เลยว่าไม่มีอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้สอนหรือว่ายึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาอย่างหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยนะเาแม้จะผ่านโลกมา ม, มาไม่มากนะ แต่เขาก็วางอะไรต่ออะไรได้เยอะที่จริงไม่ใช่ว่าต้องรอให้เกษียณนะถึงจะวางเรื่องงานเรื่องการเนี่ยบางคนเนี่ยวางวางแค่ภายนอกแต่ใจก็ยังยึดอยู่พอไม่มีงานทำก็กระสับกระส่ายหลายคนทำงานไปจนตายเพราะว่าวางไม่ได้หรือว่าถึงวางได้ภายนอกแต่ข้างในก็ห่วงหาที่จริงระหว่างที่ทำงานเนี่ยยังหนุ่มยังสาวยังไม่เกษียณเนี่ยนะ ทำงานไปใจก็วางได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องวางเมื่อเกษียณแล้วระหว่างที่ทํางานเนี่ยตัวเนี่ยทำงานนะแต่ใจเนี่ยนะไม่ได้ยึดอะไรพอเวลาพูดถึงว่าวางเนี่ยเรามาถึงการปล่อยวางที่ใจนะส่วนงานการหรือภารกิจหน้าที่ก็ยังทําอยู่ต้องแยกให้ออกนะปล่อยวางนี่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ใช่ไม่ทําหน้าที่มีหน้าที่ก็ยังทําอยู่แต่ใจนี่มันวาง ก็เหือนกับร่างกายนี่นะร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเรานะคนที่มีสติปัญญาก็รู้ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราได้เราต้องรู้จักปล่อยวางร่างกายนี้แต่ว่าไม่ใช่ปล่อยป่าล ะ, ละเลยนะเวลาหิวเราก็ต้องหาอาหารมาใส่ท้องเวลาป่วยเราก็ต้องดูแลรักษาเวลาปวดท้องก็ต้องเข้าห้องน้ำนะพระริยเจ้าพระอรหันี่ท่านวางแล้ว แต่ว่าหิวท่านก็ฉันป่วยท่านก็ดูแลรักษากุฏิพังก็ต้องซ่อมถึงแม้ว่าไม่ยึดว่าอะไรมันเป็นของเราแล้วก็ตามข้างในเนี่ยปล่อยวางแต่ว่าข้างนอกนี่ก็ยังเกี่ยวข้องสิ่งต่างๆ่างอยู่ปล่อยวางสิ่งต่างๆทรัพย์สมบัติแต่ก็ยังมีสิ่งต่างๆที่เอามาใช้สรยให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่รัทิ้งหมดนะ อย่างลทัทธิเชนเนี่ยนะเขามีความคิดแบบนั้นนะว่าถ้าจะปล่อยปล่อยวางที่แท้จริงก็คือไม่มีอะไรเลยที่เราเห็นเขาเดินเปลือยทงทงทงทงเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อไม่ใส่กางเกงเดินขออาหารบินทบาทเนี่ยเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าปล่อยการปล่อยวางนี่ก็คือการที่ไม่มีอะไรเลยเราจจอย่างนั้นไหมปล่อยวางทรัพย์สมบัติก็เลยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเสือ้อแต่พุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นนะ เคยมีใครสงสัยไหมว่าเ อ, อผู้เจ้านี่ทําไมบอกว่าปล่อยวางปวางแล้วทาไมพวกยังยังมีจีวรยังห่มจีวร อ, อยู่นะพระ อ, อรหันเนี่ยพอปล่อยวางแล้วทาไมท่านก็ยังใส่เสื้อนะหรือนุ่งห่มจีวร อ, อยู่ก็เพราะปล่ <alley way> อยวางที่ใจไงนะว่าแต่ว่าการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆยังเกี่ยวข้องแบบเป็นเจ้านายแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะว่าถ้ายึดเป็นเจ้าของแ ล, แล้วเราก็กลายเป็นของมันทันที เจ้านายเหมืนกัใช้มันนะให้เกิดประโยชน์แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นท่าของมันใช่มครัถึงแม้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราก็ปล่อยวางได้ไม่ใช่ว่าต้องรอให้กเกษียณก่อนถึงจะปล่อยวางวางหน้าที่การงานวางที่ใจนะแต่ว่าความรับผิดชอบก็ยังมีอยู่มีอาจารย์อาจารย์เซนท่านหนึ่งนะท่านไปสร้างวัดที่ประเทศอเมริกาเมื่อห้าสปีที่แล้วเป็นวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาอายุก็มากแล้วนะหกนะชื่อชุนบิวสุสุกิ คนญี่ปุ่นสมัยก่อนตัวเล็กนะตอนที่สร้างวัดเนี่ยนะท่านก็ต้องลงมือเองนะแต่ว่าโชคดีมีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นชาวอเมริกันหนุม่มแข็งแรงร่างใหญ่ทั้งหญิงและชายก็มาช่วยขนหินขนไม้หนุ่มสาวเหล่านี้เนี่ยทำงานไปได้สักครึ่งวันก็เหนื่อยแล้วแต่อาจารย์ชูริวเนี่ยยังทำงานแล้วก็ทำทั้งวันลูกศิษย์ทึงมากเลยนะตัวก็เล็กอายุก็มาก มีลูกศิษคงถามอาจารย์ทําได้ยังไงเนี่ยทำทั้งวันอาจารย์ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่อาจารย์บอกพักตลอดเวลาแต่ลูกสิเห็ น, นทําทั้งวันเลยอาจารย์โกหกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โกหกนะแต่อาจารย์นี่เวลาว่าพักทั้งวันเนี่ยก็คือว่าใจมันพักใจไม่ได้แบกไอ้ที่แบกเนี่ยคือตัวแบกหินแต่ว่าใจไม่ได้แบกหินด้วยนะนี่เรียกว่าปล่อยวางนะไม่ต้องรอให้เกเสียณก่อนนะ เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำได้ทำงานนะทำทำทั้งวันเลยนะแต่ว่าใจเน่วางและพอใจวางเนี่ยนะมันถึงทำได้ทั้งวันไงวัยรุ่นหนุมสาวนี่หลายคนทำไปก็บ่นไปทำไปก็บ่นไปตัวตัวแบกหินแต่ใจแบกทุกข์พอไปคาดหวังว่ามันจะต้องเสร็จไวๆเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอา่าเนี่ยเรียกว่าแบกแล้วแบกกับความทุกข์ ให้เข้าใจนะว่าเวลาพูงว่าปล่อยวางเนี่ยมันคือการปล่อยวางที่ใจแล้วพอเห็นนั้นเนี่ยแม้ทํางานอยู่ก็ปล่อยวางได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ปล่อยวางได้จะมีพระจีนถามนะพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยวางที่นี่สอยปล่อยวางแต่ทาไมนะเขี่ยเขียนให้ปฏิบัติกันนะตั้งแต่เช้าจนค่ำน ะ, น, ص ص นะอย่างนี้มันไม่ปล่อยวางจริงเนี่ยเทนนี้ก็อาทิปต้องอธิบายว่าปล่อยวางนี่คือปล่อยวางที่ใจแต่ว่าการปฏิบัติ หรือการทำกิจก็ยังทำอยู่นะก็ทำตั้งแต่ช้าจดเย็นแต่ใจวางนะเหมือนอาจารย์ชุนริวอะแบกหินทั้งวันนะแต่ว่าท่านบอกว่าท่านพักตลอดเวลาเนีนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราซึ่งเป็นผู้สูงวัยเนี่ยนะต้องเข้าใจนะเรื่องนะว่าการปล่อยวางนี่มันคืออะไรและมันสำคัญอย่างไรในเวลาที่ต้องปล่อยได้แล้วนะแต่ว่าหน้าที่การงานก็ยังทาอยู่นะแต่ว่าใจนะี่เบาสบาย ไม่ใช่แบกนั่นแบกนี่นอันนี้ถ้าเรายังแบกเยอะก็แสดงว่าเราสติปัญญาเรายังไม่ได้เจริญตามอายุตามวัยนะมันสูงแต่วัยนะแต่ว่าสติปัญญาไม่ได้สูงตามเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้อ ง, องอเร่งทำเร่งฝึกนะอาราเตียมรับผ่อนอิจิตังปฏิตังตุมหังขอยตาผลที่ท่านปราธนาแล้วตั้งใจแล้วอิบเมีวาสมาชตู จองสำเร็จโดยฉาพรานสาเพผูุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนพระโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเทยอรีวานจันโตวางใจไรายทั้งพวงจงบางรากายสาพาโรโควินาสตุ โรกั้งผวงของท่านจงหายมาเดพวันตารายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิิคายุโกภาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอภิวัฒนสีลิสันิจังุทธะัจจายนโนจัตตารธมาวันธิอายุวันโสุขังภละานสีประกคืออายุวันนสุขะภาละ ย่อมเริญอยู่บุคคลผู้มีปกติไห้กล่าปกติ อ, อ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเพราะวันตุสาวพมังคารังขอสาพระมองกนจงมีแก่ท่านอันตุสาพร์เท ว, วตาพอลเทวดาตั้งพวงจงรักษาท่านพรพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า อาธรรมานุภาเวนด้วยานุภาแห่งพระธรรมนุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตสโสธิภาวันตุเตว่าสวัสดีทั้งหลายจงมีแการนืน่อเธอิ